คือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษายอมอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านเคยดําเนินมาแล้วเป็นแบบสนับสนุนถ้าดําเนินจะเริ่มปฏิบัติไหนเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้นําเพราะเราไม่สามารถ กันอย่ากําเดตพอาศัยผู้ใหญ่เอ่อที่ยังไม่มีความสามารถมีความรู้วิชชาและหน้าที่การงานที่ประมาณนี้แต่หลักคอมพิวเตอร์ส่วนหน้านี่ติดจะเป็นความละเอียดมากฉะนั้นต้องค่อยๆแนะนํากันอยู่เสมอเป็นญาติที่มองเห็นด้วยตานี้ก็พอกําลัง เงินได้หูนั้นจํากันได้ดับกันได้นี่ก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เป็นส่วนเกี่ยวกับใจที่เป็นเรื่องสําคัญการโกรธได้ทําความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์ ต้องดูให้ชัดฟังให้ทับแล้วนําสิ่งที่ฟังและที่เป็นนั้นเข้าไปการึกไว้ในจิตใจเพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอย่าให้เกิดความเคยชินมามาอยู่กับท่านเป็นเวลานาน เราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านภาณังเลยก็เป็นความถ้าความคิดเป็นเพียงนี้เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่เลยข้อคลึงหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจ นี่สําคัญตนว่าได้เข้าเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วก็อย่างนั้นขนาดที่อยู่กับครูอาจารย์คิดว่าเป็นความสะดวกง่ายจะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดแต่ต้องจัดต้องทําด้วยความจําเป็นข้อทางแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดําเนิน มีความรู้สึกอันหนึ่งที่สังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใดหรือไม่เข้าใจก็ศึกษาแต่ถามกับท่านได้นี่เป็นความเบาใจของเราแต่เมื่อจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็น จากด้วยความเป็นมีความตายก็ตามมีรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยที่ต้องบอกทางให้รู้ไม่หนึ่งที่ผมได้เคยผ่านมาแล้วเป็นรู้สึกว่าฝังใจมาตั้งแต่ทั้งหมดนี้เวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกแจ่มใจ เปข้อคล้องไกลเมื่อไหร่เราจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลไม่สําคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้วน่ะนับธรรมเบาใจมาพอท่านมารับภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการ ต้องทําให้เวลาเวลาผ่านไปเสียตั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทํากรรมด้วยช้าให้ตัวเราที่เราจึงได้สํานึกตัวว่าเวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบด่วนตระหนักว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลย ก็พอเลยก็กดขึ้นเท่านั้นแล้วหาคู่แก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองพี่ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องถามไปในทางสายเดียวกันจะเดินไปตามทางสายเดียวกันเรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะ ที่จะนํามาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันช่วงทีบางทีก็คว้าไม่ทันทั้งๆที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนําปักเตือนทั้งสั่งสอนในธรรมะแน่นั้นเสมอพอยังจําไม่ได้นี่แก้ไขไม่ทันทําให้เสียเวลาเวลาเพียงเสียเวลายังดีมันอาจยังอาจจะเกิดความผิดพลิดขึ้นนี้ ไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทําความเข้าใจเอาไว้เอาเวลานี้เราตั้งใจมากรมศึกษาด้วยกันจงทําให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการปฏิบัติงานภายในอย่าเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากไกลเป็นผู้สั่งการสั่งงาน ไวยาวัจาก็ต้องได้ดําเนินไปตามถ้าจิตมีความปิดขาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่วแน่การงานก็จะไม่สําเร็จลงได้ความเรียบร้อยในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะปิดขาดนั้นๆก็ไม่เรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกแต่ตามการงานทั้งนอกทั้งในความเคลื่อนไหวไป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 ก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันเมื่อจะแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอํานาจของสติมีความตรวจสอบมีความสอดส่องเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้าง ตรองหลายครั้งหลายผมก็มีความสม่ำเสมอและทันท่วงทีได้เพราะเป็นแนวนี้เป็นธรรมภาคที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบรมหรือบำรุงเสมอเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทําใจให้วอกแวกคอนเคิร์นอย่าทําใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ธรรมจับจด ไม่จะทํามอกแรกคอนแข็งไม่ใช่ทําไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทําเจตคารไม่ใช่ทําที่จะคล้อยตามใจของบุคคลผู้มีเกเรแต่ธรรมต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตามธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบสบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประตามตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่ นี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงมาอยู่เช่นนั้นใครทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญเราจะดีจะชั่วประการใดธรรมต้องเป็นธรรมหากผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแดนตนเองให้เป็นไปตามแผ่แห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรม ก็ทํามีหลายประเภททําสําหรับโลกคู่เขา 2 เดือนก็มีทําสําหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะทําออกจากท่านพุทธะหลานได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบคอบเรื่อง ภายนอกภายในจนกลายเป็นโลกวิทูขึ้นมาธรรมะโลกวิทูคือรู้แจ้งจริงๆเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับครบกันครบปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์ด้วยความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะ ที่จะยังบุคคลให้สลามเมื่อปฏิบัติธรรมไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะอุปติเจ้าเป็นมัชฌิมาคือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลการสั่งสอนหมู่เพื่อน ก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความตรงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอกงานข้างในได้สอนลงเต็มพติกําลังความสามารถและด้วยความตรงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากหมู่เพื่อนเสมอว่าจะได้ผล<ใช> ยังไงทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรดาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็ต้องคอยสังเกตผลลัพธ์หน้าจากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นธรรมะปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบข้อต่อหน้าที่ ของพระคือข้อวัดปฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในว่าท่านผู้ได้จะมีความแยบคายคนคิดหามาได้เป็นสมบัติของตัวแล้วนําออกแสดงให้ทราบมีกิริยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจาก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 ตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องก็ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมพฏิปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะเราต้องทําให้เป็นแบบสภาพของเราอยากให้เป็นที่ตําหนิติโทษตนได้ถ้ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตําหนิเราว่า comfortably we thought they showed we all at sniffing where? That kommt from 11 of us right now It took 22 and log to 10 of us right now We can keep 75% of our self left What is the age zone that takes place for a good time if we again, make it start governmentуки to nose and queen When plus 10 is there so all that comes to our self left? การนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทําไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบทัศน์ไม่ทราบทัศน์ก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งหลับด้วยสับสงบแล้วยังไม่แล้วหลับตกกุฏิไปก็มีอ่ะดูสิ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 ห้ามง่วงเหงาเฮานอนก็เราตั้งเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างนั้นมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังหนึ่งตามธรรมดาคนนอนหลับตอนกลางคืนแล้วตื่นตอนกลางวันทํางานที่กลางคืนเราก็หลับกลางวันเราก็หลับกลางคืนก็สับภงกกลางวันก็สับภงก แล้วก็ว่าตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัตรู้ธรรมและรู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาเฮอนอนจนถึงกับมันหลับไปตามพิจารณาธรรมให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราก็พิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพ่องประจําตัวของเรา วันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขทำไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้เดือนหน้าปีหน้าตลอดกาลคงอายุไขของเราก็ต้องเป็นไปในทำนองนี้ไม่มีทีมอีกผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัวเช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเฝ้านอนขึ้นมาอาจจะแก้ไขยังไงลุกเดินจงกรมอ้าวลุกเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอ้าหาเรื่องเข้าไปอีก ไปหาสถานที่กลัวๆมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายปรารถนาความนี้จะทนต่อสู้เราไปเมื่อไหร่โดยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารปรับทางอาหารอุปัตมันเพาะถันมากกินมากมันก็ง่วงลดน้อยลงไปมันจะเป็นยังไงสังเกตดูความง่วงของเราน้อยก็เบาลงไปเบาลงไป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 เคยโง่มาเหมือนกันแล้วเคยหาอุบายแก้ความโกรธได้เป็นบางขณะแข็งแข็งมาเป็นอนัตต์เหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของกามอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดในอรรถกาลทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไอ้ที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นผู้โปรดทางนั้นเข้าใจ กับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงดีตลอดเวลามีอยู่ภายในจักษ์การเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้ามาเรียนเพื่อความตระหง่านความตระหง่านก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมาเรื่องอะไรก็ต้องอวดกันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตกแต่งตนเองต่อไปได้แล้วใจจะข้าเพิ่งอยู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ธรรมเนี่ยเข้าไป เป็นหัวหน้าเหยียบย่ำความเพียรให้ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียรคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยฉะนั้นก็จะหาเรื่องว่าเรานี้บำเพ็ญเพียรมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏพระโขนนิพพานอยู่ซะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทําการเหยียบย่ำตัวเองเสมอไปอย่าเข้าใจว่าความโง่จะทําเราให้มีเกลียดจะทําให้เรามีความฉลาดจะทําให้เรามีความ แหลมคมพานาจิตใจจนสามารถแก้กิเลสได้ที่ไม่มีผลเป็นเพราะเหตุอะไรนี่เราขาดเหตุผลตอนนี้เรามีบกพร่องที่ตรงไหนถึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่งใจของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรบ้างถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทนอมจิตใจให้หาประโยชน์ได้ด้วยวิธีใดบ้าง ตนตากดเป็นผลขึ้นมาพาจากไกลมีอะไรมั่งเราต้องทดทดสอบดูเรื่องของเรามีที่ว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเราไม่ต้องพูดจากนี้จากหลักของเหตุใยไม่ได้ความหนับมันก็เกิดขึ้นมาจากความม่วงซะก่อนนั่นมันยังมีเหตุความม่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึงนั่นตั้งแต่ทั้งโลกโลกอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่อกันไป เรื่องมรรคนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมมุติไปเป็นอันดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นตัวขารธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสให้ทราบและทราบแล้วได้อย่างไรเราต้องนํามาทดสอบตัวของเราไม่เป็นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ใจให้เหนือจากการศึกผลทรมานการทรมานตัวเองศึกผลตัวเองต้องดูกําลังของตัวกําลังของสิ่งที่เป็นฆาตกิจฆาตกิจมันแสดงขึ้นมาก กำลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกําลังกันเข้าไปจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจําไว้ทีหลังก็ดักตนเข้าไปทิ้งจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นภาพติดนั้นให้อยู่ในเงื้อมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลภโผมิเที่ยงนั้นอีกต่อไป นี่คือว่าความเพียรที่ที่ว่าอุบายของคนฉลาดคือว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติบนจริงเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นความเข้าใจของเราว่าเราทําความเพียรเดินจงกรมกับกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทําความเพียรแต่เรื่องของสติที่ประจำใจนั้นมีหรือไม่ ที่เดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อพุ่งเผอเหอเหิมนั่งก็นั่งอย่างพุ่งเผอเหอเหิมเดินก็เพื่อพุ่งเผอเหอเหิมมีแต่ความพุ่งเผอเหอเหิมประจําใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเปลี่ยนที่ไหนมีไม่มีทํามีสติคอยสังเกตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียรจะนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นคือว่าผู้มีความเพียร เพราะลุ่นเห็ดรูปผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายๆก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้ตายเป็นความสุขขึ้นมากอุปมาผลตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นค่าติดต่อเราก็ไม่มีจํานวนน้อยแสนกนมายาอยู่นั้นหมดหากปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลา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 เราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนะแปลว่าคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไรอะไรเป็นฆาตกิจกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก้ในขณะนี้อะไรเป็นฆาตกิจกับเราเราจึงต้องนําธรรมะมาแก้เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้ซะก่อนสิ่งที่ท่านเคยตําหนิ มาเป็นภาคศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราอยู่ไหมนั่นแหละคือภาคศึกของเรานั่นแหละเป็นภาคศึกของธรรมเราเรียนธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จักว่าเรียนธรรมและปฏิบัติธรรมเราต้องแสงลงที่จุดนี้การญากลำหมาการรักษาด้วยอํานาจด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้ ประกอบเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัตว์ให้หลีกเล้นความเถียงแต่สอนให้มีความหนักแน่นให้มีความขยันหมั่นเพียรมีหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทูละในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบจบับของโลกไม่ได้ ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครผลไกลจะถือธรรมะพุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอกน้อมเพราะไม่ติดกันอะไรกับโลกกับเราอปุธเจ้าพระธรรมผสมเหมือนกันกับเราไม่แตกอะไรกันเนี่ยนะเท่าที่แปกเท่าที่โลกได้กล่าวว่าบูชาระลึกถึงอยู่เสมอนี้เพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้ว พุทธะก็คือท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเองมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุทธะผู้จะเป็นพุทธะขึ้นมาคือผู้ดําเนินอย่างนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างผู้ผู้เสียสละ เพื่อจะเอาตัณหะที่เรียกว่ามหาตัณหะขึ้นมาภายในใจไม่แต่โลกุตระตัณหะนี่น่ะเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมกลับทั้งด้านความเพียรก็โชคคู่ไม่ไม่ได้ความทะเยอทะลักความบริสุทธิ์ทางใจก็โลกก็ต้องยอมกลับ ธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระไทยพระพุทธเจ้าสัมโพธิเจ้ามาแสดงกับโลกโลกก็ยอมกราบสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าถ้าองค์ดำเนินอย่างนั้นสาวกก็ดำเนินตามนี่จึงกลายมาเป็นฐานะของโลกได้หากว่าฐานะของโลกกับพวกเราไม่ติดแปลกอะไรกันแล้วจําเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานะเราต้องรู้สึกเราถือว่าพระพุทธเจ้าเค้าทําพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเรา เราต้องคํานึงถึงทางเดินของท่านท่านเดินนึงน่ะถ้าทําที่ไว้อย่างนั้นถ้าสงฆ์ท่านดําเนินดังนั้นต้องน้อมทํานะพระธรรมตรัสทั้ง 3 นี้เข้ามาไหว้ที่หัวใจแล้วดําเนินไปตามไม่ต้องพ้อธุระไม่ต้องกลัวกลัวตายถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่ง สมุนบริบูรณ์เมื่อโคคัสสมบัติก็ตายคนจนๆก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันอยู่แต่ให้ตายด้วยความภาคภูมิเต็มตายด้วยความขยันตายด้วยหลักด้วยอัตด้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดทางในใจที่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศาสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งนับตนด้วย น่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งนับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราผู้มีความมั่นคงเป็นที่แล้วด้วยภาวนาดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัปปจันเหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญากันแล้วเวลานี้ไม่เห็นอะไรมีเวลามั่งถ้าไม่นั่งรับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบ เข้าบ้านเค้าเดินด้วยสัตว์ทั้งหลายเดินนั้นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัตด้วยธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องที่จริงที่เป็นฆาติภานจักษ์มีทางแก้ไขกันได้ที่ตกแค่ที่เคยอธิบายให้ฟัง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 แบบเรานี่มันแบบที่เถียดแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบสูงขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้ธรรมะสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนกินใจแล้วถึงกับจะหมดความสนใจต่อการทําสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกปรากฏจากคนๆนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปคูณถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์นงใดๆจะรู้พานะจากไม่ว่าสมาธิขั้นไหนสมาธิคันธาภัญญาวพันกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้ง 3 นี้มีอยู่กับใจคือผู้รู้ดวงนี้ปัญญาถ้าอ้อทําออกท้าย <ม. S 1> 10 คน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 ไม่กดก้นขึ้นมาท้ายตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะตอบถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่นําปัญญามาใช้นําแต่ความตีียดตีขั้นมาใช้วันยังค่ําคืนยังลุ่งจะหาความฉลาดเยี่ยมพรายมาจากที่ไหนนั้นก็ได้ยินจะชื่อทั้งนั้นที่คําว่าปัญญาปัญญาปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเราย่อมย่อมพ้นไปทุกวันทุกวัน นี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ดำเนินทางปัญญาต้องรู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวตั้งแต่ส่วนญาณส่วนกลางจนถึงส่วนละเอียดสุดแม้จะถึงนิพพานไตรธารต้องอาศัยปัญญานี้เป็นหลักสําคัญนี่เราจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ขุดค้นลงไปดูปัญญาเราจะหง่ต้มแกงกินไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารการบริโภคแก่เป็นเครื่องท้ายแก่กิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราท่านให้ถือว่าเป็นข้าทาส อย่างเนี้ยปัญญาเป็นคู่ปราบกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความที่เสียก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความง่วงเหงาเฮานอนก็เหมือนกันเราจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังค่ําคืนยังรุ่งอยู่สิแต่ว่าในถ้าอุปกุฏท่านปราบมารถ้าไม่ได้ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายนอกใจของท่านได้มารภายนอกท่านก็ปราบได้ อําเภอกาบแบบคนขําแม้นแต่แท้ตกลงกุฏิเหมือนเรานี่นะนี่ได้ความอะไรนี่นี่จะเฝ้าอุปถุอะไรนี่นี่ถ้าโดนทั้งเมตตาได้ยินอย่างนี้นะมันถึงใจจริงๆมันโง่ขนาดไหนนี่ภาวนาเป็นนั่งหลับยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความฉลาดเยับพรายมาจากที่ไหนเมื่อ ติดมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามสุขผลตนเองแค่เท่านี้ไม่น่าเราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งกระเพรานั่นแหละยินแต่ชื่อปัญญาปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นยังไงถอดถอนอยู่ในตัวเองเพียงนิดนึงก็ไม่ได้นอนตมงวนอยู่จะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่มีที่ไหนก็ร้อนถ้ามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแล้ว ก็ตะนอนแช่น้ําก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นเพียงมีธรรมหน่อยเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมดอับตื่นตื่นตาสบายทั้งนั้นนี่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากธรรมขยันหมั่นเพียรอันนําไปเกิดน่ะเรื่องอย่างนี้มันมีได้โดยการ ไม่ได้ตําหนิคนนั้นไม่ได้ตําหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้งท่านเรื่องที่กล่าวมันแล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตําหนิไม่ถือว่าเป็นการเหยียบย่ําดูถูกกันในทางหลักธรรมนํามาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านและเรา มันสมาธิจนเกินตัวมันมันหลับได้ลองดูสิลองแบบที่ว่าเอ้ามันจะหลับได้จริงๆเหรอวะนั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันเอ้ามันมันจะหลับได้จริงๆเหรอนั่นน่ะวิธีธรรมมานิธิ 1 ที่เหมาะที่สุดสําหรับเราซึ่งกําลังอยู่ในฐานะเช่นนี้นั่งสักกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเหรอ มันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอ้าตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้นดูเรื่องของความทุกข์ความง่วงอีกทีนึงอืมมันก็ได้เห็นทุกข์สักทีทุกข์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอยากลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกข์ทั้งทุกข์ส่วนกับส่วนอายทั้งทุกข์ส่วนใดถ้ามันเห็นหมดนี่ก็เป็นอุบายทิอันหนึ่งที่ความง่วงเหงามันจะเกิดหลับสักทีนึง ต้องดูกับเล้าเราแก้ไขได้นี่ก็เคยเป็นมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับปกติเกิดเหมือนกันนั่นแหละอันนี้จิตมันเป็นยังไงเมื่อทราบนั่นถ้าลงได้ว่ายังไงแล้วมันเหมือนหินผักนะเพราะว่าเอานะวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไข ท่านได้พูดว่าวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความตัดที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ขาดเกินกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่มั่งนั้นครับจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกขัตตธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกําลังลงคุ้มคั่นเอาชีวิตเข้าแลกแล้ว สมัยก็มีกระแสจิตดวงใดที่จะไปเท่นผ่านออกข้างนอกรับโลกโลกอย่างที่ดังที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเปลี่ยนด้วยสติบังคับปณีแค่นั้นทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็สาครที่เรียกยกมือขึ้นปังเลยนี่ทุกข์สัตว์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไหร่จงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศน์ สัตว์อริยะจะจะทําทั้ง 4 ถ้าควรจะรู้แจ้งทางตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเสียทีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไปแต่เรื่องความสัตย์นี้จะไม่ถอยนี่มืดปังขณะนั้นแล้วมารตัวไหนอ่ะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้มาบังคับเราก็มันไม่ม่วงเลยตลอดจนสว่างมันก็ไม่ง่วง ปุจคนกำลังไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลังแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาได้ปุจคนลงในทุกข์นั้นซึ่งเป็นปฏิริยศักดิ์อันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าที่สอนไว้กายวิญญาณเป็นกายที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ตรัสพิพยานในเวลาชวนตัวเช่นนั้น นี่ก็ได้ทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่สั่นปังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทําไมไม่เป็นประโยชน์บวชมามาในบวชมาเพื่อการโกหกคบลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นๆจะเอาคําเล่นมาพูดกันหน้าอย่างนั้นสอนกันเล่นๆมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทําจริงถ้ารู้ก็ให้รู้อย่างจริงๆไม่ไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกลองลองดูที่ท่านนักปฏิบัติ หาเป็นลูกศิษย์ตถาคตมาจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของตนเองนั้นจงยึดหลักข้อปฏิบัติคําสุ่ยเจ้าด้วยความเข้มแข็งเนื่องคํามรรคจันจะแสดงสิ้นที่ใจดวงกําลังโหกเฝ้าบปัญญาลึกอ่อนแออยู่เวลานี้กันมากไม่ต้องสงสัยธรรมะไม่อยู่ที่ไหนที่เรจูทที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนคําเรื่องสิ่งที่เป็นภากิณ์หมดแล้วธรรมะล้วนๆก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของจา นั่นคือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอุปสมผลธรรมนั้นครูเด็กประเดิมนี่เห็นว่าสมควรขอให้ท่านนำปฏิบัตินำไปพิจารณาและดำเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสื่อมทีเสียทำบวชและปฏิบัติในศาสนาจึงขออธิษฐานเทศนาถึงทั้ง